เป็นนี่หดหูจนไม่กล้าคิดถึงชีวิตดีๆเป็นอาการของใจไม่ใช่ความจริงของชีวิตอาการทางใจของคนมีนี่มากจะเรียนแบบอาการทางกายคือดิ้นรนกระเสือกกระสนมีอาการแข่งกับเส้นตายมีอาการอยากให้มันหมดหมดให้มันพ้นๆไปเสียที สิ่งที่คนเป็นทุกเรื่องนี่สินควรจะทำไม่ใช่การพยายามฝืนนั่งสมาธิแต่เป็นการเจริญสติเห็นว่าความทุกข์หน้าตาเป็นอย่างไรเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนถ้าหากว่าลมหายใจนี้รู้สึกดิ้นรนอยู่ข้างในว่าโอ๊ยเมื่อไรนี่จะหมดมองไปข้างหน้าเวงว้างดำมืดไปหมดไม่เห็นอะไรนอกจากนี่สินท่วมหัวแบบนี้เรียกว่า เป็นลมหายใจที่มาพร้อมกับความทุกข์ความมืดในแบบที่เป็นอกุศลทำให้ใจหดหูในแบบที่ไม่เกิดความรู้สึกกล้าหาญที่จะมีความสุขกับใครเขาคนบางคนพอใจหดหูมากๆไม่กล้าคิดถึงความสุขไม่กล้าคิดถึงชีวิตดีๆซึ่งนี่เป็นอาการของใจไม่ใช่ความจริงของชีวิต ความจริงของชีวิตคือเรามีลมหายใจที่เป็นสุขบ้างก็ได้ที่จะมีลมหายใจอย่างเป็นสุขบ้างก็เกิดจากการสังเกตธรรมดาธรรมดาว่านะ้ลมหายใจนี้เรากําลังเป็นทุกเรื่องนี่สินละเกินอกเหมือนจะระเบิดให้ได้เหมือนกับคนจะจมน้ำตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วด้วยลมหายใจนี้ ที่เรายอมรับความจริงว่ากำลังเป็นทุกข์อย่างที่สุดให้สังเกตลมหายใจต่อมาซึ่งก็เป็นลมที่ยังใช้นี่ไม่หมดเหมือนกันว่ามันหายใจยาวได้ไหมลองทาตามดูไปนะครับลองหายใจเข้าในแบบที่ท้องพองออกมาก่อนพอพองเหมือนลูกโป่งที่มีความยืดหยุนสูงไม่มีความเกร็งที่ท้องที่อก แค่สังเกตได้อย่างนี้คุณก็รู้แล้วว่าความทุกข์อันเกิดจากนีิสินที่ยังใช้ไม่หมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องก่อติดอยู่กับทุกลมหายใจก็ได้ถ้าหากหายใจยาวได้ก็มีความสุขมีความปลอดโปรง่งมีความสบายใจอิ่มเอิมราวกับไม่มีนีิสินอะไรติดค้างอยู่ในใจเลยตัวสติสังเกตความจริงถึงเหตุปัจจัยของความทุกข์ เหตุปัจจัยของความสุขจะพาเราไปพบความจริงว่าถ้าหายใจสั้นหายใจอย่างไม่รู้หายใจแบบท้องเครีย ด, เ, ยดเกรง็กรงความทุกข์ทั้งโลกก็เหมือนพร้อมจะโจมตีเรากระหน่ำซ้ำเติมไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเวลาพักแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสังเกตว่าลมหายใจที่มันมีความทุกข์นั้นเป็นลมหายใจสั้นๆถ้าหากว่าเราหายใจยาวขึ้น ความทุกข์ที่เกาะกลุมจิตใจและร่างกายก็สลายตัวไปชั่วคราวชั่วขณะที่ลมหายใจยาวชั่วขณะที่เรามีสติรู้ว่าด้วยอาการหายใจยาวอย่างถูกต้องนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดความสบายสติแบบนี้แหละจะเป็นสติที่อยู่ตัวทําให้เราเป็นนี่โดยใจไม่เป็นทุกข์เป็นนี่ ในแบบที่รับผิดชอบหนี้สินอยู่ความสุขทางใจจะมาปรุงแต่งให้ร่างกายผ่อนคลายสมองพร้อมจะแล่นพร้อมจะคิดออกว่าทำอย่างไรให้หนี้หมดเร็วกว่านี้คิดแบบคนมีกําลังใจคิดแบบคนมีทุนเป็นความสุขไม่ใช่คิดแบบคนที่อยู่ในนรกทางใจไปเรื่อยๆ